บทที่สิบเอ็ดและสวรรค์ในโลกทิพย์ในบทที่แล้วมามีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่าทุกคนเป็นผู้สร้างกฎหมายไว้สําหรับตนเองเป็นสาเหตุที่ทําให้ตนเองได้รับความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมตลอดจนถึงทําให้ตนเองได้รับความสุขและความทุกข์และเป็นผู้ลงโทษและให้รางวัลตนเองความจริงข้อนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นจริง แม้เฉพาะแต่ในโลกมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นจริงในโลกทิพย์อย่างเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าในโลกมนุษย์เสียอีกราวิญญาณของแต่ละคนเมื่อเดละร่างกายเนื้อมาแล้วก็พาเอาความเชื่อถือและอุปาทานพาเอาบุญและบาปตลอดจนถึงพาเอาสวรรค์และนรกของตนติดตัวมาด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ตนได้สร้างสารรค์ไว้สําหรับตนเองตลอดเวลาดังนั้นผู้พิพากษาที่ตัดสินโชคชะตาของวิญญาณ ที่สามารถทำให้วิญญาณได้รับทุกหรือสุขได้นั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลนอกจากเป็นอำนาจภายในของตนหรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็ได้แก่อำนาจแห่งมโนธรรมหรือความรู้สึกผิดชอบของตนเองนั่นเองมีข้อพึงระวังว่าในโลกทิพนั้นความรู้สึกผิดชอบของบุคคลจะแสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยเต็มที่เสียงแห่งมโนธรรมของตนเองซึ่งในบางกรณี ก็ถูกอำนาจฝ่ายต่ำกดทับและกรอบงาำวิเศษเกือบตลอดเวลาเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์นั้นบัด น, นี้เมื่อมันอยู่ในโลกทิพย์อันเป็นภูมิแห่งการแสดงออกอย่างเต็มที่ของอำนาจความคิดจะไม่มีอะไรมากดทับมันได้และมันจะครองอำนาจเหนือวิญญาณอย่างสมบูรณ์เสียงที่อาจจะเคยแหบโหยและแผ่วเบามาแต่เดิมจะกลายเป็นเสมือนเสียงแตรป่ากรอกหูอยู่ตลอดเวลา ไม่มีทางที่วิญญาณของผู้ที่เคยกระทาผิดมาแล้วจะหาวิธีกลบเสียงเตือนและต่อว่าของมโนธรรมของตนเองได้อีกต่อไปและเสียงของมโนธรรมหรือความรู้สึกผิดชอบนี้เองที่เป็นเสียงของผู้พิพากษาที่ทารุณที่สุดที่ทรงความยุติธรรมที่สุดในโลกทิพนี้ทุกคนจะต้องถอดเครื่องปลอมแปลงและปิดบางออกหมดไม่ว่าจะเป็นไปโดยจิตสานึกก็ตาม และ ว, วิญญาณจะไม่มีโอกาสตีสองหน้าเพื่อหลอกลวงตนเองหรือใครอื่นได้อีกเลยวิญญาณจะมีลักษณะเสมือนคนยืนเปลือยกายหรือที่จริงก็คือเปลือยอารมณ์ออกให้ความรู้สึกผิดชอบของตนเป็นผู้ตัดสินยังไม่มีที่ปิดบังอำมพรางหลักเกณฑ์เห็นความรู้สึกผิดชอบของตนมีอยู่อย่างไรก็จะต้องถูกพิพากษาตัดสินไปตามหลักเกณฑ์นั้น มนุษย์อาจจะหลีกเลี่ยงคำพิพากษาของผู้อื่นได้ด้วยวิธีการอันชาญฉลาดแต่เขาจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำพิพากษาของมโนธรรมของตนเองได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเขาได้เข้าถึงโลกทิพย์แล้วนี่คือความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์ที่บางคนอาจคิดว่ามีอยู่แต่เพียงในความละเมอเพ้อฝันของพวกกวีเท่านั้นนี่แหละคือความยุติธรรมของธรรมชาติ ซึ่งมีหลักการตัดสินที่ถูกต้องเที่ยงตรงที่สุดยิ่งกว่าที่มนุษย์จะพึงนึกฝันได้เป็นไหนๆและขอได้โปรดระลึกถึงความจริงข้อนี้ไว้ด้วยคือมโนธรรมที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษามนุษย์หรือวิญญาณของมนุษย์ก็คือมโนธรรมที่ได้รับการอบรมศึกษาอย่างดีที่สุดเท่าที่เขารู้อยู่ในขณะนั้นในความเจริญของจิตใจในระดับนั้นทั้งในจิตสานึกและจิตใต้สานึก ซึ่งทั้งนี้ก็หมายความถึงมาตรฐานแห่งสิ่งแวดล้อมของเขาในเวลาเช่นนั้นและในสถานการณ์แวดล้อมอย่างนั้นระดับสูงสุดแห่งความเข้าใจทั้งในจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกในเรื่องศิลธรรมของเขาในกาละและเทสะนั่นเองจะเป็นผู้พิพาทษาเขาในเมื่อเขารู้และเข้าใจดังนั้นแล้วไม่ทําตามที่ได้รู้และเข้าใจทั้งในจิตสํานึกและใต้สํานึกในเรื่องศิลธรรมของแต่ละคนนั่นเอง จะเป็นผู้พิพากษาและให้รางวัลแก่บุคคลนั่นเองในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งโลกนั้นย่อมเป็นที่ยอมรับกันในหมู่ผู้ที่มีความคิดทั้งหลายแล้วว่าไม่สามารถจะทำให้เกิดความยุติธรรมแก่มนุษย์ได้ในทุกกรณีเพราะกฎหมายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ตราขึ้นเองตามอาเภอใจความยุติธรรมอย่างแท้จริงจึงเป็นที่หวังไม่ได้เสมอไปเพราะในบางแห่งอัจญกร อาจถือเอาตามความคิดเห็นของเขาและสังคมที่แวดล้อมเขาว่าการกระทาของเขาเป็นสิ่งที่สมควรและยุติธรรมแล้วส่วนในบางแห่งการกระทาเช่นเดียวกันอาจจะทำให้บุคคลผู้ที่ได้รับการอบรมอีกแบบหนึ่งรู้สึกว่าเป็นการละเมิดและฝืนต่ออำนาจแห่งมโนธรรมของเขาเป็นอย่างยิ่งอุปมาเช่นการที่สุนัขป่าขโมยไก่ของชาวบ้านกินนั้น ย่อมเป็นการยากที่เราจะกล่าวว่าการกระทาของมันเช่นนั้นเป็นอาชญากรรมเพราะมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นจริงๆแล้วก็เป็นวิธีหากินโดยชอบรรมของมันมาแต่เดิมด้วยหรือในเมื่อแมวขโมยเลียนมซึ่งวางอยู่ในจานบนโต๊ะอาหารเราจะกล่าวว่าแมวมากระทาอาชญากรรมหรือว่าผิดศีลธรรมก็ย่อมเป็นการยากอีกเหมือนกันที่กล่าวมานั้น อาจมีบางท่านกล่าวว่าเป็นเรื่องของศัตร์ดิรัชานโดยเฉพาะไม่สมควรที่จะนำมาเปรียบเทียบกับศิลธรรมในระดับของมนุษย์แต่ก็อย่าลืมว่าในหมู่มนุษย์ก็ยังมีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ความรู้สึกในด้านศิลธรรมของเขามีระดับไม่สูงกับศาสตร์ดิรัชานที่กล่าวมาแล้วเท่าใดนักดังนั้นแม้กฎหมายของมนุษย์ก็ยังมีความประสงค์ไม่ใช่เพียงเพื่อลงโทษอย่างเดียว แต่ยังมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเครื่องห้ามและป้องกันและเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นด้วยในเวลาเดียวกันดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแม้กฎหมายที่มนุษย์ตั้งขึ้นเองยังมีความมุ่งหมายไม่ใช่เพื่อลงโทษหรือเพื่อเป็นการแก้แค้นโดยตรงแล้วเหตุไฉนหลักความยุติธรรมซึ่งเป็นหลักการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นจึงจะต้องเป็นไปเพื่อจุดประสงค์เพื่อจะแก้แค้นเ่า เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายของมนุษย์ที่เจริญแล้วย่อมมีความประสงค์สามประการคือ1เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำความผิดเช่นนั้นอีก 2. เพื่อไม่ให้ผู้ใดกระทำผิดเช่นนั้นไปแล้วได้กระทำซ้ำอีกทั้งนี้โดยการกำจัดเขตหรือไม่ก็โดยบทบัญญัติอันเป็นเครื่องห้ามกันหรือปราบโดยประการอื่นๆ 3. เพื่อดัดนิสัยอาชญยากรโดยชีย้ให้เห็นโทษของการกระทําเช่นนั้นและคุณของการเว้นจากการกระทําดังนั้นเสียเมื่อกฎหมายของมนุษย์ซึ่งยังมีกิเลสและมีความไม่สมบูรณ์อยู่เป็นปกติยังมีความมุ่งหมายอันกว้างขวางถึงขนาดนี้แล้วความยุติธรรมอันเกิดจากกฎหมายของธรรมชาติยอมจะเป็นที่วังได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอย่างแน่นอน ข้อสำคัญก็คือกฎของธรรมชาติจะต้องเป็นไปในลักษณะที่สั่งสอนให้ผู้กระทำผิดเกิดความรู้สํานึกในการกระทำชั่วของตนและให้เห็นอนิสงค์ของการทำความดียิ่งขึ้นโดยลำดับและกฎแห่งความยุติธรรมตามธรรมชาตินี่เองเป็นสิ่งที่หวังได้ในโลกทิพย์ที่กล่าวถึงนี้ สวรรค์นรกในรูปต่างกันของคนที่มีระดับจิตใจต่างกันเมื่อเราได้ทราบความจริงดังกล่าวมาแล้วก็ทำให้เราเห็นความจริงโดยในยั ก, กว้างขวางออกไปอีกว่าระเบียบวินัยแห่งการบังคับตนเองซึ่งตราขึ้นมาสาหรับใช้บังคับบุคคลที่มีระดับแห่งสติปัญญาหรือศีลธรรมต่ำนั้นย่อมจะนามาใช้กับบุคคลประเภทที่มีระดับศีลธรรมสูงไม่ได้ แลในทรรนองเดียวกันกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมซึ่งใช้ได้ดีสําหรับบุคคลประเภทที่มีศีลธรรมแล้วและสามารถบังคับใจตนเองได้พอสมควรแล้วนั้นจะนํามาใช้ให้ได้ผลเช่นเดียวกันกับบุคคลที่มีระดับศีลธรรมต่ำมากก็ย่อมไม่ได้เหมือนกันโดยสรุปอาจกล่าวได้ว่ากฎเกณฑ์ที่จะนํามาใช้บังคับบุคคลจะมีระดับหยาบหรือประณีตเพียงใดนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับระดับแห่งความเข้าใจ ในเรื่องสวรรค์นรกของบุคคลนั่นเองซึ่งหมายความว่าบุคคลที่มีความเข้าใจในสวรรค์นรกในระดับหยาบก็ต้องใช้กฎเกณฑ์ชนิดหยาบพอๆกันเป็นเครื่องบังคับส่วนผู้เข้าใจคำว่าสวรรค์นรกในระดับละเอียดยิ่งขึ้นไปเพียงไรก็สามารถใช้กฎเกณฑ์นละเอียดขึ้นไปเป็นเครื่องบังคับได้และความเข้าใจหรืออันที่จริงคือความรู้สึกเกี่ยวกับสวรรค์นรกดังกล่าวแล้ว ยอมติดตาบุคคลเรื่อยไปแม้ว่าเขาจะได้ผ่านจากโลกมนุษย์เข้าสู่โลกทิพย์แล้วก็ตามจิตใจของคนบางคนยังวาดภาพว่าผู้ทำบาปจะต้องไปถูนกนรกที่ทรมานแบบต่างๆเช่นมีกระทะทองแดงเป็นต้นและสวรรค์สำหรับเขาก็จะต้องมีถนนโรยลาดด้วยทองคํามีมงกุฎมีเครื่องดีเซตีเป่าต่างๆ แต่บางคนซึ่งมีความคิดอันก้าวหน้าขึ้นมากว่าระดับนั้นก็เห็นว่าความสุขสำหรับเขาก็คือการได้ทำงานตามอุดมคติและได้ไายเห็นความคิดฝันในเรื่องอุดมคติของเขาเป็นความจริงขึ้นมาส่วนความทุกข์ทรมานก็คือการได้รับผลแห่งความชั่วไปตามทางของกรรมของมันไปจนถึงที่สุดผลจากความเข้าใจอันแตกต่างเช่นนี้ก็คือแต่ละฝ่าย ก็จะเข้าถึงภูมิแห่งความคิดฝันของเขาและเขาก็จะรู้สึกว่าความคิดความเข้าใจของเขานั้นต่างหากเป็นฝ่ายถูกส่วนของฝ่ายอื่นๆเป็นของผิดหมดซึ่งตามความจริงแล้วเขาเหล่านั้นแต่ละฝ่ายก็ได้สร้างสวรรค์และนรกไว้ตามความคิดของเขาเองและสวรรค์นรกที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามแต่ความสุขและความทุกข์ในสวรรค์และนรกของเขาทั้งหมด ก็จะเป็นความจริงเช่นนั้นอยู่ตลอดไปคือเท่าที่เขายังมีความเห็นเช่นนั้นอยู่เพราะผู้ที่เชื่อว่าในนรกมีกระทะทองแดงเป็นต้นก็จะไม่ผิดหวังเลยเมื่อเขาทําความชั่วไว้เขาก็จะสร้างนรกเช่นนั้นขึ้นไว้ในใจอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกของเขาและมโนธรรมของเขาก็จะส่งเขาให้มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นจนได้แม้ว่าเขาจะพยายามใช้เหตุผลปฏิเสธความเชื่อเหล่านี้ต่าง แต่เขาก็จะปัดความรู้สึกเช่นว่านั้นออกไปจากจิตใต้สำนึกเขาไม่ได้เมื่อปัดออกไปไม่ได้ผลก็คือเขาจะหลีกเลี่ยงจากสภาวะเช่นนั้นไม่ได้เขาจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานไปตามมโนภาพของเขาจนกว่าเขาจะได้รับบทเรียนรู้สึงถึงโทษของการกระทำบาปที่เขาได้กระทำมาแล้วและแม้เมื่อเขาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งความทรงจาอันเลือนลางในอดีต ก็ยังสามารถมาตักเตือนเขาได้เป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างขั้นต่ำมากซึ่งในหลายกรณีนอกจากนี้ก็อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปแต่ที่แน่นอนก็คือทุกคนจะมีความเข้าใจหรือความรู้สึกในเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์นรกในแง่ใดแง่หนึ่งเสมอสุดแล้วแต่ระดับแห่งจิตใจของเขาจะมีความประณีตมากน้อยเพียงใด และผลแห่งความรู้สึกดังกล่าวมานั้นจะยังคงมีอิทธิพลเหลืออยู่ในชาติหน้าที่เขาจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่มากก็น้อยเรื่องนอรกมีความจริงอย่างใดเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์ก็เป็นทํานองเดียวกันและความดีที่บุคคลได้กระทำไว้แต่ละครั้งนั้นก็ย่อมฝังรอยประทับอยู่ในจิตใต้สำนึกยังไม่เลือนหายไป ในเรื่องนี้มีความจริงที่สมควรจะระลึกไว้ด้วยว่าบุคคลเราแต่ละคนยังไม่มีใครที่จะดีวิเศษไปเสียหมดทุกอย่างจึงกระทั่งเกิดมาก็มีแต่ทำความดีอย่างเดียวและในทางตรงกันข้ามก็ไม่มีใครเลวร้ายจนกระทั่งเกิดมาก็ไม่เคยทำความดีอะไรเลยดังนั้นแต่ละคนจึงได้มีโอกาสกระทำมาแล้วทั้งความดีและความชั่วมากบ้างน้อยบ้างเป็นเรไรไป การที่เขาจะเข้าถึงสวรรค์หรือนรกในระดับไหนจึงสุดแล้วแต่อัตราเฉลีย่ยอันเกิดจากผลรวมของบาปและบุญเหล่านั้นเองและผลเฉลี่ยดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นประการใดก็ย่อมสุดแล้วแต่ลักษณะความเชื่อของเขานั้นด้วยเหมือนกันหมายเหตุสำหรับในเรื่องนี้ก็ต้องแยกแยะด้วยนะครับว่า ความเชื่อในที่นี้หมายถึงความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกซึ่งจะสร้างภพภูมิให้เหมาะสมกับบุญบาปที่ตนเองได้สะสมไว้แต่ไม่ใช่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเชื่อก็ไม่ต้องรับผลไม่ต้องตกนรกใช่ไหมในเรื่องนี้ขอเปรียบเทียบ ง, ง่ายๆคือความร้อนของไฟนั้นคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเมื่อไปจับไฟก็ต้องร้อนเสมอนะครับ ในเรื่องโลกหลังความตายนั้นต้องศึกษาอย่างรอบคอบและครบถ้วนต้องเข้าใจภาพรวมให้ได้อย่าจับแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือประโยคใดประโยคหนึ่งแล้วถือว่านั่นคือความจริงทั้งหมดซึ่งจะทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิได้นะครับโลกทิพย์ของผู้ที่ไม่เชื่อโลกทิพย์ ผู้ที่ในระหว่างอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องโลกทิพย์เลยคือเชื่อว่าตายแล้วสูญหมดนั้นจะมีประสบการณ์ที่แปลกประหลาดไปอีกแบบหนึ่งเขาพบกับบุคคลที่มีความคิดในแนวเดียวกันอีกและเขาก็พากันคิดไปในทํานองเดียวกันอีกว่าเขาคงจะถูกใครคนหนึ่งพามาอยู่บนดาวนโปกราะดวงอื่นอย่างแน่นอนและเขาก็จะคิดเหมือนกันอีกว่าเขายังไม่ตายเพราะเหตุว่าเขายังมีร่างกาย ยังพูดได้คิดได้เหมือนเดิมโดยที่เขาอาจจะอ้างเหตุผลว่าถ้าตายแล้วเหตุด้จึงยังมีร่างกายอยู่อีกส่วนความดีความชั่วที่เขาได้เคยทำไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ก็จะยังให้ผลแก่เขาอยู่นั่นเองดังนั้นเขาก็จะต้องได้รับทุกบ้างสุขบ้างตามส่วนแห่งกรรมที่ได้ทาไว้เหมือนกับคนอื่นเช่นเดียวกันโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าเขาจะเชื่อว่าตายแล้วศูนยหรือไม่ก็ตาม ในที่นี้ขอให้เข้าใจว่าการที่เขาเหล่านั้นจะต้องได้สวยทุกข์มีประการต่างๆนั้นมิใช่เป็นเพราะการที่เขาไม่เชื่อในโลกหน้าแต่กลับเชื่อว่าตายและศูนย์เลยเพราะลำพังความเชื่อหรือไม่เชื่อนี้มิใช่เป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดการให้รางวัลหรือลงโทษด้วยตัวของมันเองแต่อย่างใดนอกจากว่าความเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นจะเป็นต้นเหตุให้กระทําความดีหรือความชั่วต่อไปเท่านั้น และความดีหรือความชั่วนั่นเองจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความทุกข์ตามสมควรแก่กรรมที่ทำลงไปและเขาก็จะได้เรียนรู้ถึงผลแห่งความเชื่อและไม่เชื่อของเขาเองดังนั้นประสบการณ์นั้นแปลกประหลาดดังกล่าวมาแล้วจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากความทรงจำอันประกอบด้วยอุปาทานแบบของเขาในโลกมนุษย์เมื่อเขาตายจากอัตภาพมนุษย์แล้วความทรงจานั้น ก็มาแสดงรูปเดิมของมันสืบต่อไปอีกในโลกทิพย์และสำหรับคนประเภทนี้หากเขาจะต้องได้รับทุกทรมานอันเกิดจากบาปของเขาเขาก็จะถือว่าทุกภัยของเขานั้นเกิดจากการลงโทษเพื่อที่จะแก้แค้นคือชนิดที่จะเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเท่านั้นคือเขาคิดไม่ถึงว่าเป็นการลงโทษแห่งกรรมของเขาเองโดยแท้ ดังนั้นการเชื่อหรือไม่เชื่อในโลกหน้าของใครก็ตามย่อมไม่สามารถทำให้หลักความจริงเกี่ยวกับโลกหน้าเปลี่ยนแปลงไปได้เลยปรา ก, กฎแห่งการชดเชยทั้งในด้านดีและด้านร้ายย่อมเป็นกฎของสากลจักรวาลและเป็นความจริงอย่างเห็นได้ชัดในโลกทิพย์ในทํานองเดียวกันใครจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ก็ตามผลของกรรมยังคงให้ผลตามการของมันโดยไม่มีข้อยุเว้น ที่จริงคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนย่อมมีความรู้สึกถึงความจริงเรื่องวิญญาณคือเรื่องตายแล้วไม่สูนอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่ว่าในบางคนความรู้สึกดังกล่าวนี้อาจจะอยู่ลึกมากในจิตใต้สํานึกเท่านั้นนอกจากนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจพอสมควรความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความรู้ที่ว่าวิญญาณเป็นสภาพไม่สูนนี่เอง จะปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดในโลกทิพย์สุขและทุกข์ในโลกทิพย์มีมากกว่าในโลกมนุษย์เหล่าวิญญาณชั้นสูงซึ่งได้เคยให้ความรู้แก่เราถึงเรื่องความเป็นไปของชีวิตหลังจากความตายของกายเนื้อแล้วต่างได้เล่าเรื่องตรงกันว่า ความปิติยินดีและความเศร้าโศกเสียใจของผู้ที่มีสติปัญญาคือมีการศึกษาดีและมีวัฒนธรรมสูงแล้วที่ได้เกิดขึ้นกับตนเองในโลกหน้านั้นมีปริมาณสุดที่จะคานาทางนี้ก็เกิดจากการที่วิญญาณเหล่านั้นเมื่อลา ก, กายเนื้อไปแล้วได้หันหลังกลับมาพิจารณาดูการกระทาของตนในโลกมนุษย์ถ้าเห็นสิ่งที่ดีงามอันตนได้กระทาไว้แล้วก็เกิดความปิติยินดียางสุดซึง้ง แต่ถ้าได้เห็นสิ่งที่เลวร้ายอันตนได้เคยกระทำไว้ก็จะเกิดความโศกเศร้าเสียใจอย่างเหลือทนเช่นเดียวกันคือในโลกทิพนี้เมื่อวิญญาณมีตาอันสว่างขึ้นสามารถมองเห็นความจริงต่างๆที่ตนได้เคยดูถูกและหัวเราะเยาะมาแต่เดิมก็จะเกิดความเดือดร้อนใจชนิดที่เผาลนตัวเองให้ตกอยู่ในนรกชนิดที่ร้ายแรงเกินกว่าที่ใครๆจะคาดถึงว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นเพราะความรู้สึกเช่นนี้ จะเผาลนตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดที่ว่าเราไม่น่าเลยที่จะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นทั้งๆ ท, ที่ได้รับการศึกษามีวัฒนธรรมแล้วรู้เรื่องอะไรอะไรได้ดีพอสมควรแล้วและในทางตรงกันข้ามบุคคลผู้มีการศึกษารู้หลักความจริงหรือศีลธรรมแล้วและได้กระทําไปตามความรู้ความเข้าใจของตอนเองทั้งๆ ท, ที่ต้องประสบความยากลําบากอย่างแสนสาหัสเมื่อได้มีโอกาสมองถอยหลังไป ก็จะเกิดความปิติปราโมทสุดที่จะบรรยายความฝันต้องเป็นความจริงเสมอตลอดเวลาที่ยังไม่ตื่นจากฝันแต่ในที่สุดสิ่งทั้งหมดนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดไปจนได้สักวันหนึ่งสำหรับวิญญาณของแต่ละคน มันอาจจะเป็นเวลานา น, านเกือบจะเป็นอนันตการแม้ว่าโดยแท้จริงเมื่อเทียบกับความจริงขั้นปรมาตา์แล้วมันก็เป็นเพียงเวลาชั่วขณะเท่านั้นก็ตามดังนั้นจึงวางเป็นหลักได้อีกว่าแม้ในโลกทิพย์ก็ไม่มีอะไรเป็นสภาวะอนันตการไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ตามสิ่งทั้งหลายและประสบการณ์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ และวิญญาณก็ต้องกลับมาถือกำเนือในโลกนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งคือเข้ามาเป็นนักเรียนในโรงเรียนอันยิ่งใหญ่เพื่อศึกษาบทเรียนจากชีวิตต่อไปและโลกนี้จึงเปรียบได้กับโรงเรียนอนุบาลซึ่งวิญญาณจะต้องเรียนบทเรียนกันเรื่อยไปและก็ต้องเข้าถึงสวรรค์บ้างนรกบ้างตามรายเฉลี่ยของกรรมที่ได้กระทาไว้ในการเกิดมาเรียนครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง และในที่นี้ใไร้ขอให้ท่านระลึกถึงความจริงที่สําคัญไว้เสมอว่าอันที่จริงสวรรค์ลและนรกนั้นก็อยู่ภายในของวิญญาณเองคือเป็นสภาวะที่วิญญาณสร้างสารรค์ขึ้นให้ฉายเงาออกมาข้างนอกซึ่งเมื่อว่าโดยปรมาถนายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หามีความจริงที่เป็นแกนสารไม่แต่แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นในแง่ปรมาาัาทนัยจะไม่มีความจริงที่เป็นแกนสาร ก็อย่าลืมนึกถึงความจริงที่สําคัญเท่าเากันอีกข้อหนึ่งว่าในแง่สมมุติสัจจะสําหรับวิญญาณที่ยังไม่รู้ความจริงทางปรมัตา์สิ่งเหล่านั้นจะต้องเป็นความจริงอย่างแท้จริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยทั้งนี้ก็โดยอํานาจแห่งอุปาทานของวิญญาณเหล่านั้นเองความจริงของชีวิตที่หยาบในโลกมนุษย์นี้มีเพียงใดความจริงในโลกทิพย์ก็ต้องถือว่าเป็นความจริงเพียงนั้น เช่นเดียวกับความฝันซึ่งจะเป็นความฝันไม่ได้ตราบใดที่ความฝันนั้นยังไม่สิ้นสุดอีกประการหนึ่งก็ขอให้ท่านพึงระลึกไว้ว่าความสุขความทุกข์หรือสวรรค์นรกทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการให้สินบนหรือเป็นการลงโทษเพื่อแก้แค้นกก่วิญญาณดวงใดเลยแต่มันเป็นไปตามกฎธรรมดาและเป็นเครื่องอุปกรณ์ ที่จะทำให้วิญญาณได้เห็นความจริงด้วยตนเองและพัฒนาขึ้นไปเป็นลําดับแต่ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกทิพย์ก็ไม่ได้มีอยู่เพียงแค่สวรรค์นรกโดยในยะตามที่กล่าวมาแล้วหรือดังที่มนุษย์โดยมากเข้าใจกันอยู่เท่านั้นอันที่จริงยังมีความเป็นอยู่แบบอื่นอีกหลายอย่างหลายประการเช่นมีความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการสวยผลของความดีที่กระทาไว้ในโลกมนุษย์เลย แต่ถ้าว่าเกิดจากการที่ได้มีโอกาสกระทําการต่างๆอันเป็นการสนองความปรารถนาและใจรักโดยเฉพาะของแต่ละคนซึ่งจะเป็นงานภายนอกหรือเป็นงานการศึกษาเพื่อสแสวงหาความรู้เป็นส่วนภายในก็ได้ความสุขสำราญเหล่านี้มนุษย์ซึ่งต้องกังวลอยู่กับการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสได้ประสบเลยเรื่องต่างๆในแง่นี้ จะได้กล่าวต่อไปในบทหน้าหมายเหตุให้สังเกตนะครับว่าท่านเจ้าของเรื่องนั้นยังมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าแต่เรื่องทั้งหมดที่ท่านเล่าผ่านมานั้นจะสังเกตได้ว่าเป็นหลักการที่ตรงกับคำสอนของพุทธ ในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าใครทำดีได้ดีได้รับผลของกรรมจากสิ่งที่ตนทำเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครให้รังวัลหรือมาทำโทษและในเรื่องของอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งความจริงแล้วหลายอย่างไม่มีสอนในศาสนาอื่นมีอยู่ในเฉพาะคําสอนของศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะคําสอนอยเรื่องอนัตตาและสภาวะการเข้าถึงนิพพานที่ตัดวงจรการวินว่ายตายเกิดได้เด็ดขาด การศึกษาเรื่องโลกหลังความตายนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าความจริงขั้นสูงสุดในแบบพุทธนั้นเป็นอย่างไรในเรื่องที่ผ่านมานั้นจะสังเกตได้ว่าท่านเล่าตามความเป็นจริงที่ท่านประสบมาซึ่งส่วนใหญ่นั้นกลับมาตรงกับหลักในพระไตรปิฎกแทบทั้งหมดจะมีก็แค่บางส่วนที่ยังเป็นความเชื่อเดิมตามศาสนาที่ท่านนับถืออย่างเช่นเรื่องของพระเจ้านะครับซึ่งในบางส่วนนั้นก็เป็นไปได้สองแบบคือท่านยังเชื่อแบบนั้นจริงๆ หรืออีกแบบท่านรู้เห็นตามจริงแล้วว่าอะไรคืออะไรแต่ยังคงอธิบายเกี่ยวโยงกับศาสนาเดิมของท่านเพื่อแนะนําสั่งสอนคนในถิ่นฐานของท่านให้เข้าใจได้โดยง่ายสําหรับท่านที่เคร่งครัดในคําสอนแบบพูดนั้นบางจุดก็อาจจะเกิดความสงสัยและเกิดการค้านในใจซึ่งบางจุดก็อยากให้ปล่อยผ่านไปบ้างนะครับขอให้จับหลักสําคัญไว้เท่านั้นก็พออย่ามุดแต่ไปติดส่วนปลีกย่อยเหมือนอย่างเช่นที่เคยบอกไว้ในบทกันก่อนนะครับ อย่างเรื่องคำว่าวิญญาณ น, นั้นก็ต้องเข้าใจภาษาโลกด้วยว่าท่านหมายถึงแค่ไหนและใช้คำเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายอย่างไรสำหรับคนบางกลุ่มนั้นการจะเข้าใจสภาวาธรรมที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากและอาจจะไม่มีโอกาสเลยคำสอนในศาสนานั้นแม้แต่ในของพุทธเองนะครับก็ยังต้องมีการสมมติตัวตนให้มาจับต้องได้ที่เรียกว่าปุคลาธิฐาน เหมือนอย่างเรื่องในชาดกเป็นต้นซึ่งในบางศาสนานั้นมีการแต่งเรื่องคล้ายนิทานสร้างพิธีพระเจ้าขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของคุณธรรมด้านต่างๆให้คนจับต้องได้ง่ายเท่านั้นจุดประสงค์คือให้ใจมีที่ยึดในขั้นแรกแล้วได้ทำความดีในเรื่องของพระเจ้านั้นให้สังเกตนะครับว่าคนพูดจานวนมากแม้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแต่เวลาคุยกับคนทั่วไป บางทีก็เผอพูดว่าพระเจ้าลงโทษหรือพูดอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งในความหมายจริงนั้นก็หมายถึงกฎแห่งกรรมนั่นเองที่จะเป็นตัวลงโทษอย่างแท้จริงแต่เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมการนึกถึงอะไรที่เป็นตัวตนจับต้องได้ง่ายก็จะสื่อสารกับคนทั่วไปในวงกว้างได้เข้าใจกันง่ายกว่านะครับ